บทที่145หคนแรกที่เข้ามาถึงตัวจอมพรานคือเชษฐาวราริ์ผู้ซึ่งไม่เคยยอมให้สถานการณ์ชนิดใดมีอิทธิพลอยู่เหนือสติสัมปชัญญะของเขาได้ระหว่างที่อีกสามคนยังยืนตะลึงจัง ง, งังต่อเหตุการณ์ที่ทวีกับเหตุร้ายที่ทวีทับโถมซ้ำสองนั้น ท่านหัวหน้าคณะจับที่ใบหน้าอันมีคางสันกระทบกันกราวลักษณะมุสตินั้นแล้วก็รู้ได้ในทันทีว่าระพินไพรวันกำลังค่ายขึ้นสูงอย่างน่ากลัวน้อยเขาร้องเรียกหมอดารินด้วยเสียงหนักเมื่อ น, นั้นเองจึงดูเหมือนจะปลุกให้อีกสามคนไหวตัวได้พลูกันเข้ามาดารินตัวสั่นงงนงกต่อเหตุการณ์จนทาอะไรไม่ถูกไปชั่วขนะเข้ามาสุดคุกเขาจ้องมองอยู่เฉย ชั ย, ยันกมาเรียช่วยกันจับตรวจดูตามร่างกายของพรานใหญ่ด้วยความตกใจแล้วก็ปลุกเตือนสติแพทยสาวประจำคณะอีกครั้งน้อยทำไมตะลึงอยู่อยางงั้นเล่าเร็วก็สิไข่มันกำลังสูงมากตัวร้อนจีเลยชั ย, ยันละล่ำละลักแล้วพยายามเขย่าเรียกคนเจ็บแต่ระพินไม่รู้สึกตัวซะแล้วในขณะนั้นนอกจากครางอืออืออยู่ในคอตาตั้งคู่ปิดสนิทสั่นสะท้านอยู่เป็นระลอก หมอดารินเองในขณะ น, นี้สีหน้าของหลอนไม่มีใครบรรยายได้ถูกมีอาการเหมือนจะสิ้นลมหายใจไปในบัตรนั้นโธนี่เวนกำมอะไรอย่างนี้นะคนหนึ่งสิ้นไปซะแล้วเมื่อยกจบอีกคนนึงก็มีอันเป็นไปนี่พวกเราจะถึงคราววิบัติกันทั้งหมดแรืเหรอหลอนคร่ำครวญออกมาปนร้องไห้พี่ชายก็ตกลงไปกลางหลังน้องสาวโดยแรงพร้อมกับตวาดลั่น น้อยการคร่ำครวญนำพันนะ่ะมันไม่ช่วยอะไรให้เกิดขึ้นมาได้หรอกนะนี่ลืมซะแล้วเหรือว่าตัวเองเป็นหมอน้องสาวพลันได้สติสำนึกตนขึ้นมาอีกครั้งจากเสียงและอาการกระตุ้นโดยแรงชนิดนั้นลนกัดริมฝีปากแน่นพยายามฝืนบังคับกำลังใจอย่างเต็มที่มาเรียเพนพรวดเข้าไปที่หีบเวชพันหิ้วมาให้ทั้งหีบพร้อมกับปลอบใจว่าควบคุมสติให้ดีน้อย คนตายไปแล้วนะเราช่วยให้ฟื้นไม่ได้ลืมคนตายซะก่อนแต่คนเป็นนะเรายังพอมีโอกาสฉันจะเป็นลูกมือเธอเองระพินค็ไม่เป็นอะไรมากนักหรอกโรคเก่าของเขาขนั่นแหละถูกของมาเรียแล้วคนตายไปแล้วใครก็ไม่สามารถจะช่วยให้ฟื้นขึ้นมาได้แต่คนที่กำลังจะตายในขณะนี้เล่าหลนจะมัวแต่มึนงงทุกโศกจนปล่อยเวลาให้ล่วงสายไปฉะนั้นหรือในเมื่อโอกาสนั้น ยังพอมีจากความรู้ความสามารถในวิชาชีพของหล่อนเองชีวิตและความปลอดภัยของระพินยามนี้อยู่ในกํามือของหล่อนแต่เพียงคนเดียวชีวิตของเขาผู้นี้ไม่เพียงแต่จะมีค่าที่สุดสําหรับการเดินทางในครั้งนี้เท่านั้นหากยังมีค่าที่สุดต่อหัวใจของหล่อนเองอีกด้วยถ้าเขาเป็นอะไรลงไปหัวใจของหมอดารินก็คงแหลกพินาศ วิญญาณแพทย์มือเกียรตินิยมกลับมาเป็นของหล่อนในบัตรนั้นมันช่างเป็นคืนที่ฉุกละหุกที่สุดชนิดตั้งตัวตั้งใจไม่ติดของคณะเดินทางทั้งหมดแต่อย่างน้อยกับตันของคณะก็ยังเป็นบุคคลชั้นปรีชาชานเป็นผู้นำและควบคุมสถานการณ์ได้ดีที่สุดเช่นกันเขาคือเชษฐาวราริศซึ่งเป็นหลักของทุกคนอย่างไรก็ตามไม่มีใครสามารถเดาได้ถูก กว่าเหตุการณ์คืนนี้มันจะสิ้นสุดในลักษณะใดแม้แต่หมอดาลินเองพวกพลานพื้นเมืองทั้งหมดนั่งกอดเข่าเงียบกริบลืมตาโผล่ล้อมดูอยู่พร้อมต่อการที่จะปฏิบัติตามคำสั่งทุกขนาดจิตนายหญิงผู้เป็นหมอและกลุ่มนายจ้างอีกสามคนเท่านั้นที่ช่วยกันทำงานกันอย่างเคร่งเครียดพร้อมทั้งปรึกษาหารือ ก, กันอยู่เบาๆพักใจต่อมา นายหญิงก็ถอยออกมานั่งหน้าซีดเผือดอยู่ที่มุมนึงนายแมมเกนเอาผ้าห่มทุกผืนเท่าที่มีอยู่ไปคลุมทับให้พลานใหญ่และนายทหารก็ออกคําสั่งให้ทุกคนไปอฟืนข้างนอกก่อสมไฟขึ้นตรงนั้นส่วนในายใหญ่ก็ลุกขึ้นเดินกลับไปกลับมาอย่างใช้ความคิดหนักไม่มีใครพักผ่อนหลับนอนลงได้ภายหลังจากสมไฟจนลุกโชติสูงประกายอบอุ่นไปทั่วทั้งบริเวณที่รวมกลุ่มพักกันอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายล้อมรอบกายพรานใหญ่ผู้ตายไปจากความรู้สึกสำนึกทั้งหมดบุญคำก็คลานเข้าไปที่นายหญิงพรานใหญ่จะฟื้นไหมนายหญิงนั่นเป็นคำถามอย่างแผ่วเบาที่สุดและโดยภาษาซื่อไปตรงไปตรงมาที่สุดของพรานเท่าพรานใหญ่ไม่สบายมากมากกว่าทุกครั้งที่ฉันเคยเห็นนะเนี่ย นายหญิงตอบเกิอบไม่มีเสียงเช่นกันแต่ไม่ตรงคำถามบุญคาก็รู้สึกอย่างนั้นนายหญิงตอนที่กลับเข้ามาถึงที่นี่พวกเจ้านายเดินเข้าไปพูดกับวายาพรานใหญ่เดินมาตรงนี้บุญคาเห็นแก่ลม้มเหมือนคนเป็นลมหมดสติลงเฉยเฉยวิ่งเข้ามาเขย่าก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยเหมือนเหมือนคนถูกของหรือหรือไม่ก็ผีกระทำ ดารินขนลุกขึ้นทางกายเหลวไหลหน้าบุญคำํำผู้ไรก็ไม่รู้พรานใหญ่มีโรคประจําตัวเดิมอยู่แล้วแต่คราวนี้ก็ไม่คราวนี้ก็มีไข่อื่นแทรกซ้อนเข้ามาด้วยนี่อย่าพูดอะไรเลอะเทอะอย่างนั้นสิเสียงร้องดังอย่างตกใจของหล่อนทําให้เชษฐาชัยยันและมาเรียหันขวับมามองทันทีแล้วปราดตรงเข้ามาเมื่อนั้น พวกพรานพื้นเมืองทั้งหมดก็เข้ามานั่งมุงเป็นกลุ่มพูดอะไรกันอยู่ซุบซิบสีหน้าอาการเต็มไปด้วยความประวันทรั่นใจสังเกตดวกับกิริยาของคนเหล่านั้นเชษถาก็บอกได้ทันทีว่าพวกนั้นกำลังขวัญเสียอะไรกันน้อยบุญคำว่าอะไรเหรอเชตถาถามเสียงหนักหนักขมวดคิว้วดารินบอกให้ทุกคนทราบตามคาพูดพิลึกพิลึกของบุญคา ทำเชายันบังเกิดอาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวขึ้นอีกคนนึงมาเรียโบกมือร้องออกมาว่าสุริท็อกสุนเชียฐานิ่งงันไปครู่แล้วหันไปทางน้องสาวอีกครั้งนี่น้อยในฐานะหมอเธอยังไม่ได้บอกพี่เลยนะว่าอาการของระพินเป็นยังไงบัางจับสันเรื้อรังธรรมดาอย่างที่เขาเคยเป็นไม่ใช่เหรอดารินมีอาการกลัดกลุ่มเหมือนอยากจะตายไปเส้นในบัตรนั้น หลอนถอนใจฮือพี่ใหญ่คะน้อยก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแหละค่ะบอกได้อย่างเดียวว่าอาการของรพินครั้งนี้หนักเหลือเกินเขาไม่ได้สติเอาเลยนะคะดูครั้งแรกก็เหมือนโรคเก่าของเขามันเกิดขึ้นมาอย่างกระทันหันหรือเกินแต่มันมีอะไรแทรกซ้อนมากกว่านั้นเราจะเฝ้าดูอาการเขาอีกสักครึ่งชั่วโมงค่ะลองคิดดูให้ดีนะน้อย ตอนที่ไอ้สามเขามันชนต้นไม้ลม้มและต้นไม้ล้มฟาดลงมาที่เขาและเธอซึ่งเธอเองก็อยู่ใกล้ชิดร่วมเหตุการณ์กับเขามากที่สุดไทวันได้รับบาดเจ็บอะไรจากการล้มทับของต้นไม้บ้างหรือเปล่าตอนนั้นน่ะเขากําลังตื่นเต้นอาจไม่รู้สึกตัวก็ได้แต่อาการอาจจะเพิ่งแสดงออกเดี๋ยวนี้มาเรียบอกมาโดยเร็วทุกคนจ้องมองมาที่ราชสกลุลสาวเป็นตาเดียว ภายหลังจากพยายามนิ่งคิดทบทวนอยู่ครู่ดารินก็สั่นศีรัะฉันไม่คิดว่าระพินจะได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายอะไรจากการที่ยอดไม้ฟาดลงมาที่เรานะเพราะมันเป็นเพียงแต่ปลายกิ่งไม้เล็กๆที่หนาแน่นไปด้วยใบยเท่านั้นอีกประการหนึ่งก็มีโขดหินบังกั้นไว้อีกชั้นหนึ่งขณะที่เกิดการต่อสู้ฉันก็เห็นกคล่องแคล่วรวดเร็วเป็นปกติ ไม่ได้แสดงท่าว่าบาดเจ็บอะไรมากนักเลยเขายิงไอ้สามเขาจนมันพุ่งหล่นหน้าผาลงไปอย่างใจเย็นที่สุดแล้วก็ยังมีสติดีพอที่จะชวนฉันไปค้นหาแง่ทรายเราอยู่กันที่ก้อนหินที่ทับแง่ทรายอยู่นานทีเดียวก่อนที่พวกเราส่วนใหญ่จะตามไปถึงตอนนั้นถ้าเขาเป็นอันตรายยังไงเกี่ยวกับต้นไม้ล้มฟาดมาทับก็น่า จ, จะแสดงอาการออกมาบ้างแล้วแต่ที่รู้แน่ก็คือเขาตกใจมากที่เห็นก้อนหินทับร่างแง่ทราย ตกใจพอๆกับฉันนี่แหละแต่ยังมีสติดีกว่ามีใครสังเกตบ้างไหมในเที่ยวเดินกลับนี่อาการของระพินเป็นยังไงบ้างเชิดถาสอบทุกคนไม่มีใครนึกออกในขณะนั้นจะมีก็ตมาเรียคนเดียวที่บอกว่ารู้สึกว่าไพรวันเงียบขรึมไม่ได้พูดอะไรกระใครอีกเลยเขาเดินอยู่รังท้ายขบวน ฉันถามอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่หินกริ้งทับแง่ทรายแต่เขาไม่ได้ตอบฉันเลยสักคำเดียวนิ่งเฉยเหมือนไม่ได้จินหรือสนใจกับคำถามของฉันฉันก็เลยไม่ได้รบกวนพูดอะไรกับเขาอีกตอนนั้นนะ่ะคิดว่าเพราะเขาอิดโรยมึนงงแล้วก็อ่อนเพลียมากเห็นเดินปัดปัดเซ ซ, ซอยู่สองสามครั้งแต่ไหนแต่ไรก็ไม่เคยเห็นไรวันอิดโรยอย่างครั้งนี้เลยฉันยังช่วยประคองเขาไว้ครั้งหนึ่ง ตอนที่เขาเดินสะดุดหินมีอาการเหมือนจะลม้มเชิถาชยันและดารินเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้ระหว่างที่มุ่งหน้าเดินกลับที่พักกันมานั้นไม่มีใครทันสังเกตอาการของพรานใหญ่เลยเพราะความทุกข์เศร้าเกี่ยวกับมรณาการของแง่ทรายและขณะที่กลับเข้ามาถึงทั้งหมดต่างก็ตรงไปที่วายาผู้นั่งรอฟังข่าวอยู่บนแท่นโดยไม่ทันจะพิจารณาในขณะนั้นว่า มีระพินตามเข้ามาด้วยหรือเปล่าพรานใหญ่เข้ามาในพิงทถ้ำเป็นคนสุดท้ายครับจันบอกเมื่อแรกพวกผมนึกว่าแกจะลงนั่งพักแต่เห็นล้มลงเฉยๆพวกผมก็ช่วยกันเขย่าเรียกแต่ก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยท่านหัวหน้าคณะกัดริมฝีปากแน่นหรือมองดูหน้าพักพวกของเขาที่แวดล้อมอยู่ในขณะ น, นี้แล้วแลวไปยังร่างอันหมดสติของพรานใหญ่ ภายใต้ผ้าคลุมหนาอีกครั้งเอรูปการมันพิกกลกวที่เราคิดเส็จแล้วน่ะถ้าเป็นอาการจับสั่นโรคประจำตัวของเขาอย่างที่เคยเป็นมันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เขาพึมพำแผ่วต่ำแล้วมองหน้าน้องสาวน้อยตรวจละเอียดแล้วเหรอดารินน้ำตาซึมค่ะพี่ใหญ่ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทาได้แล้วค่ะ ชีพอจรละ่ะอาการเต้นของหัวใจแล้วก็ความดันโลหิตละ่ะเมื่อแรกมันอยู่ในระดับที่สูงเหนือขีดปกติทั้งหมดค่ะแต่แล้วต่อมามันก็ลดต่ำลงต่ำลงทุกทีน้อยถึงได้ต้องบอกว่าต้องูอวการต่อไปเราจะตรวจเช็คเขาทุกๆุห้านาทีสังเกตไหมครับพี่ใหญ่ตอนนี้เขาไม่ได้สั่นอีกเลยสงบนิ่งไปแล้วหมอดารินพูดอย่างยากเย็น คำพูดของหล่อนไม่มีใครจับฟังได้ถนัดนักเพราะมันขาดห่วงกระท่อนกระแท่นแล้วเจ้าตัวคนพูดก็ยกมือขึ้นกุมขมับอย่างกลัดกลุ้มขีดสุดซุกหน้าลงกับเข่าที่ตั้งชันทั้งสองมาเรียเข้ามาจับตัวไว้คอยเขย่าและเรียกเพื่อไม่หมอดารินขาดความรู้สึกไปอีกคนหนึ่งเข้มแข็งไว้น้อยคอยรู้ไว้ด้วยขณะนี้เธอคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นหลักประกันความปลอดภัยของไพรวัน ถ้าขืนสติงกๆเ ง, งินเ ง, งินอยู่อย่างนี้เธอจะช่วยเขาไม่ได้เอาล่ะเมื่อตกี้นี้เธอพูดถึงอาการแทรกซ้อนของไพรวันฉันเองหรือใครในบรรดาพวกเราก็ไม่มีความรู้ในทางแพทย์เลยนอกจากเธอคนเดียวเท่านั้นลองคิดดูให้ดีสิว่าการแทรกซ้อนน่ะมั น, ม, นมันคืออะไรเป็นต้นว่าหัวใจวายเส้นโลหิตตีตันในสมอง อะไรที่คนไม่ใช่หมอจะคิดไปไม่ถึงได้ถ้าเธอได้สายเหตุการ์แก้ไขมันก็จะง่ายขึ้นไม่ใช่เหรอฉันึกนึกไม่ออกจริงๆเลยนะเมย์และไม่มีความสามารถที่จะค้นหาสาเหตุในขณะนี้ด้วยดารินพูดอย่างหน่าสงสารอาการที่เธอยกตัวอย่างมานะ่ะถ้ามันเกิดขึ้นจริงก็แปลว่ารัพพินน่าจะช็อกนิ่งกับที่ไปตั้งแต่ตอนต้นไม้ล้มทับแล้ว ส่วนมันจะเกิดตามมาภายหลังนะ่ะมันไม่น่าจะเป็นไปได้ระยะเวลามันห่างกันเกือบจะครึ่งชั่วโมงนะนับตั้งแต่ต้นไม้ลม้มลงมาฟาดเราจนกระทั่งเดินกลับมาถึงที่พักนี่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับร่างกายของมนุษย์อันเป็นผลถ้าไปสู่ความตายได้นั้นมันอยู่นอกเหนือทฤษฎีทางแพทย์เท่าที่ร่ำเรียนกันมาแล้วได้เหมือนกันนะั้นนะเท่านหัวหน้าคณะหันไปทางบุญคา ซึ่งนั่งจับเขาเสื่องซึมผิดไปจากทุกครั้งเท่าที่เคยเห็นบุญคำเมื่อกี้นี้บุญคำบอกอะไรกับนายหญิงเกี่ยวกับอาการของพรานใหญ่เลยบุญคำว่าแกอึดอักไม่ค่อยจะกล้าพูดคื อ, ค, อคือบุญคำกลัวว่าว่าพรานใหญ่จะถูกอาถรรพ์จากวิญญาณของไอ้สามเขานั่น บุญเขาบุญคำอาจคิดเลวไหลเกินไปตามประษาคนป่าคนดงแต่อาการของพรานใหญ่ครั้งนี้มันผิดวิกลจริงๆอยู่อยู่ร่วมกันมานาั่งตั้งนานแล้วไม่เคยเห็นพรานใหญ่มีอาการอย่างนี้มาก่อนถึงจะจับไข่สันก็ยังปลุกเรียกพูดกันได้รู้เรื่องบ้างแต่นี่ไม่เป็นสติเลยแน่นิ่งไปเฉยๆขนาดนายหญิงเป็นหมอสมัยใหม่เองยังค้นหาสาเหตุไม่ได้เลย เป็นไปได้เหรอที่พรานชั้นยอดอย่างนายของบุญคําจะถูกอาถรรพ์จากสัตว์ที่เขาฆ่าตายเล่นงานเอาได้บุญคําก็รู้ไม่ใช่เหรอว่ารพินมีครูพรานที่แรงมากแล้วเขาก็มีของดีคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอาถรรพ์จากป่าชนิดไหนไม่เคยปรากฏว่าทําอะไรเขาได้มาตลอดและมาครั้งนี้เขาจะพลาดได้ยังไงกันชัยยันว่าบุญคําสันหน้าอย่างอัดอั่นตันใจ บุญคำก็ไม่รู้เหมือนกันนายทหารเอาละบุญคำสมมุตินะสมมุติว่าพรานใหญ่ถูกของจากสัตว์สามเขาตัวนั้นเล่นงานเข้าจริงอย่างที่บุญคำสงสัยบุญคำพอจะมีทางแก้ไขไหมพรานใหญ่ถึงแม้จะมีอายุคราวลูกหลานของบุญคำแตก่ก็มีวิชาพรานเหนือกว่าบุญคำมากนักนะนายทหารถ้าเทียบกับบุญคำแล้ว ก็ชันครูก็ลูกศิษย์ถ้าศิษย์เป็นอะไรไปนะครูยังแก้ไขได้แต่ถ้าครูเป็นบ้างศิษย์จะแก้ไหวหรือไม่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าหนายหญิงยอมบุญคําก็จะลองแก้ไขดูและบุญคําจะทํำยังไงหมอดารินถามโดยเร็วก็ตามวิธีคนป่าคนดออย่างบุญคํานั่นแหละนาะยหญิงเสกเป่าคถ า, าบวงสูงเจ้าป่าเจ้าเขา แล้วก็ยาหมู่ผสมสมุนไพรให้กินถ้าพรานใหญ่อาเจียนออกมาได้ก็เป็นผลแต่ถ้าไม่อาจเจียนบุญคำก็จนปัญญาว่ายังไงละน้อยเห็นจะต้องพึ่งวิชาทางใสยศาสตร์ษษษและยาสมุนไพรของบุญคำซะแล้วหรือยงไงว่าแต่วิธีของบุญคำจะขัดอะไรกับยาที่เธอวางไปแล้วหรือไม่ล่ะระหว่างที่หมอดารินยังนิ่งงนัน เพราะตัดสินใจยังไงไม่ถูกชั ย, ยันก็กระซิบถามมาด้วยน้ำเสียงกระวนกระวายจริงจังมากกว่าที่จะเป็นการประชดหรือพูดเล่นแพทย์สาวประจำคณะยังไม่ได้ตอบคำใดๆทั้งสิ้นแต่ตรงเข้าไปตรวจดูคนไข้อีกครั้งทุกคนเห็นหลอนเอามือคลาที่หน้าผากแล้วร้องอี๋คำหนึ่งออกมาอย่างสะดุ้งใจและทันทีก็เลิกผ้าห่มขึ้นอย่างรวดเร็วจับตามแขนและชพีพจรที่ข้อมือด้วยอาการรีบด่วนลุกลน อาการชนิดนั้นของหมอดารินทําให้ทุกคนต้องฮือเข้าไปล้อมคนเจ็บอีกครั้งทําไมมีไรเหลือน้อยเชิฐาถามเร็วปรือดารินมือสั่นข่าวหน้าของหล่อนยามนี้สําแดงถึงความระหนกตกใจขีดสุดแทบจะชอ็อกเงยหน้ามองทุกคนและเบิกตาค้างอยู่เช่นนั้นไม่สามารถจะเอ่ยคําพูดเช่นไรออกมาได้เชิดถาจับมือคนเจ็บบ้าง แล้วคลำอย่างรวดเร็วขึ้นไปจนถึงทรวงอกและลำตัวภายใต้เสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่พร้อมก็อุทานอย่างลืมตัวรับพินเอ๊ะนี่ทำไมโตถึงเย็นชื่อเราอย่างเงี้ยชั ย, ยันกรมาเรียกระโจนไปทางปลายเท้าเลิกผ้าห่มขึ้นและช่วยกันถอดรองเท้าพลานใหญ่ออกใช้มือจับสำรวจทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกันหมดนั่นก็คือรบพินไพรวันแทบจะไม่มีอุณหภูมิของร่างกายเหลืออยู่เลย ทุกส่วนของร่างกายของเขาเย็นลงเกือบจะเท่ากับก้อนหินที่แวดล้อมรอบกายในขณะนี้ฟังหัวใจเร็วน้อยมาเรียร้องลั่นหลอนไม่ใช่หมอไม่มีความรู้ในทางการแพทย์ใดๆเกินไปกว่าคนธรรมดาคนหนึ่งแต่นิยามนี้หลอนสติดีเหนือกว่าทุกคนแม้แต่เชดท้าเองซึ่งก็ตะลึงปพลงเพลิดไปช่วขนาดะแล้วไม่ได้พูดเปล่า แม่สาวยังคว้าหูควังยัดเยียดส่งให้หมอดารินเรากบตัวเองจะเป็นแพทย์ใหญ่ผูบ้บงการเะนั้นนี่เป็นวินาทีสุดยอดความคับขันของชีวิตระพินไพรวันดารินวราริศบอกกับตนเองเช่นนั้นแล้วความตื่นตัวคล่องแคล่วว่องไวก็กลับคืนมาครบถ้วนมันเป็นประสาทส่วนพิเศษในสมองของมนุษย์เราซึ่งถูกปลูกขึ้นมาใช้งานยามจาเป็นสุด ชายันแกะกระดุมเสื้อพรานใหญ่แบะอกออกทันทีในขณะที่หมอดารินเอาหูฟังอาการเต้นของหัวใจสอดเข้าหูทั้งสองแล้วกดส่วนปลายสายแนบลงไปบนสวงอกซีกซ้ายอย่างรวดเร็วระหว่างนี้ทุกคนแทบจะลืมหายใจกันหมดสิน้นจ้องอาการของแพทยสาวประจำคณะเป็นตาเดียวด้วยความกระวนกระวายขีดสุดไม่มีใครคิดฝันเลยว่า เหตุการณ์อันเลวร้ายมันจะทวีประดังทับถมขึ้นมาถึงเพียงนี้หมอดาลินนั้นหล่อนไม่มีเลือดบนใบหน้าที่จะให้จางสีลงไปได้อีกแล้วบัดนี้ในเงาสลัวทุกคนเห็นหน้าของแพทย์สาวนักมนุษยวิทยาขาวโพลนเหมือนกระดาษมีอาการลังเลอยู่ในชั่วพริบตาหนึ่งเหมือนจะตัดสินใจและโดยไม่เอ่ยคำใดกับใครอีกทั้งสิน้นหล่อนหันเข้าค้นหีบเวชพันธุ์ด้วยมืออันสันเทา แต่ก็รวดเร็วและแม่นยำต่อสิ่งที่หล่อนต้องการเป็นอย่างยิ่งด้วยสติสัมปชัญญะที่คุมมัน่นคุณพระคุณเจ้าช่วยลูกด้วยเถิดช่วยในการกู้ชีวิตของเขาไว้ในครั้งนี้หวัวใจของเขากำลังจะหยุดทำงานเไปมที่แล้วริมฝีปากของหล่อนขมุบขมิดภาวนาแต่ไม่มีใครได้ยินแล้วก็เห็นหมอดารินใช้เข็มฉีดยา ดูตัวยาชนิดหนึง่งสีเข้มออกมาจากหลอดมือที่พยายามบังคับไม่ให้สั่นไม่มีใครกล้าเอ่ยคำใดขึ้นมาทั้งสิ้นในยามนี้นอกจากช่วยส่องไฟฉายสว่างจ้าเพื่อช่วยให้การทำงานของดารินถนัดขึ้นหล่นปักปลายเข็มเข้าที่ใต้ผิวหนังที่บริเวณใต้ข้อมือของคนเจ็บไม่ทราบแน่เป็นการฉีดเข้าเส้นเลือดหรือเข้ากล้ามเนื้อ แต่ทั้งหมดเห็นหมอดารินเดินตัวยาอย่างแช่มชา้าระมัดระวังที่สุดจนกระทั่งหมดหลอดแล้วดึงออกส่งเข็มอันนั้นไปให้มาเรียพร้อมกับรีบเอาหูคอยจับฟังที่หัวใจอีกสลับไปกับอาการบีบนวดคลึงแรงๆตรงบริเวณสวงอกเหมือนจะกระตุ้นที่หัวใจทั้งคณะดูเหมือนจะถูกสะกดให้เป็นใบเบื่อกันไปหมด รุมล้อมจ้องจังงังเฉย อ, อยู่ยังไม่ทราบว่าจะช่วยเหลือหมอดารินอย่างไรได้ถูกเพราะไม่มีคำสั่งใดๆจากหมอทั้งสิ้นนอกจากจะช่วยฉายไฟเท่านั้นครู่ใหญ่ต่อมาดารินก็ถอดหูฟังหัวใจออกคล้องคอไวหยิบไฟฉายขนาดเล็กของแพทย์เปิดเปลืตาคนเจ็บขึ้นส่องไฟดูเป็นยังไงบ้างน้อย พี่ชายสุดที่จะระงับความกระวนกระวายใจอยู่ต่อไปได้ยังบอกอะไรในขณะนี้ไม่ได้ทั้งนั้นแหละครับพี่ใหญ่อาการที่เห็นอยู่นี่เป็นระยะที่เรียกกันว่าโคมา่าเส้นอันตรายขีดสุดน้อยจะพยายามกระตุ้นหัวใจให้ทำงานต่อไปจากอาการที่ทาท่าเหมือนจะหยุดลงเต็มทีอุณหภูมิในร่างกายของเขานอะไม่ไม่ไม่เข้าใจว่าทาไมมันถึงได้ลด ว, วูบห้าบลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้ก็ไม่รู้ ตัวอ่อนปวกเปียกไปหมดเป็นอาการที่แปลกมากไม่เคยพบมาก่อนเลยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จากพิษภัยธรรมดาไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะเชษฐาครางมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเหลือเกินยังไงก็ตามเธอน้อยถึงจะถึงจะทำอะไรไม่ได้ก็กระตุ้นเลี้ยงหัวใจไว้ก่อนระวิงไว้สุดความสามารถของน้อยทีเดียวนาย เสียงแหบเครือของบุญคำดังขึ้นนายจะเชื่อบุญคำหรือไม่ก็ตามแต่นายดูที่คอของพรานใหญ่นั่นทำไมมีอะไรผิดปกติหรือบุญคำคณะนายจ้างร้องถามเกือบเป็นเสียงเดียวกันผิดปกติไปแน่บุญคำสาบานว่านายของบุญคำมีเครื่องรางประจำตัวแขวนสร้อยเหล็กสีขาวติดตัวอยู่ตลอดเวลา แต่ตอนนี้มันหายไปแล้วทุกคนหันขวับมาจ้องอีกหลายๆคนอาจจะงุนงงไม่เข้าใจต่อท้อยคำของตาพรานเท่านะักแต่ดารินเบิกตากว้างหล่อนก็เพิ่งจะเห็นจริงตามที่บุญคำพูดเดี๋ยวนี้เองทำไมหล่อนจะจำไม่ได้ในเมื่อสร้อยเหล็กสแตนเลสที่แขวนเครื่องรางประจำตัวระพินหล่อนคุ้นตาดีที่สุดเพราะครั้งหนึง่งสมัยหลงป่าอยู่ด้วยกันครั้งหลังสุด ก่อนจะเข้านิทรานครระพินเคยถอดออกมอบให้หล่อนแขวนเป็นเครื่องรางประจำตัวไว้และภายหลังผ่านเหตุร้ายนั้นมาแล้วหล่อนนี่แหละที่เป็นคนคืนไปให้เขาและพรานใหญ่ก็ใช้ติดตัวอยู่ตลอดเวลาใช่บัตรนี้มันอันตราธานไปแล้วจริงๆมีรอยแดงผื่นและถลอกที่ก้านคอเหมือนกับว่าสร้อยนั้นจะถูกกระชากขาดไปเมื่อไม่นานนี้เอง แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่สร้อยของพรานใหญ่หายไปละ่ะชยันถามอย่างงงงเกี่ยวสินายทหารเกี่ยวแน่แนบุญคําเองก็ประหลาดใจปกตินายของบุญคําไม่เคยพลาดพลั้งเหมือนครั้งนี้มาก่อนแต่คราวนี้ทําไมถึงได้มีอันเป็นไปก็เพราะเครื่องรางของขลังของนายหายไปจากตัวเช่นนี้เองนายจึงไม่มีอะไรคุ้มตัว บุญคำสงสัยว่าทำไมเครื่องรางของนายจึงหายไปแล้วมันหายไปไหนมีรอยส้อยขาดหลุดออกจากคอ น, นเห็นชัดทีเดียวบุญคำถ้าส่้อยจะขาดออกจากคอพรานใหญ่ก็คงตอนที่ต้นไม้ใหญ่ล้มฟาดลงมาทับนั่นแหละเพราะก่อนหน้านี้ฉันก็ยังเคยเห็นเขาแขวนส้อยเครื่องรางนั้นอยู่เสมอเหมือนกันหมอดารินบอกมาโดยเร็ว ต้นไม้ลุ่มฟาดลงมาก่อนแล้วนายถึงแหวกใบไม้ออกมายิงไอ้สามเขาตกหน้าผาลงไปใช่ไหมนายิงใช่ถ่าน ง, งันสร้อยเครื่องรางของนายก็ขาดตอนต้นไม้ลุ่มฟาดถูกตัวนายคงยังไม่รู้ตัวว่าสร้อยเครื่องรางหลุดพ้นตัวไปแล้วแหวกใบไม้ออกมายิงไอ้สามเขาตกหน้าผาลงไปตายนายฆ่ามัน ในขณะที่สร้อยเครื่องรางไม่มีติดตัวนายหญิงเชื่อยอย่างนี้ไหมก็ถ้าสร้อยขาดหายไปตอนที่ต้นไม้ลมฟาดพรานใหญ่เขาก็ต้องยิงไอ้สามเขาโดยที่ไม่มีเครื่องรางติดตัวแน่ละ่ะไม่มีอะไรต้องสงสัยอีกแล้วละ่ะพรานใหญ่พรานเท่าพูดเหมือนกระซิบร้องไห้ไปพลาง นายของบุญคำพลอยเคราะรารตามแงซายไปอีกคนเพราะโดนดีจากวิญญาณของไอสัตว์โลกล้านปีนั่นแน่ๆของมันแล่นสวนเข้าตัวมันทวงเอาชีวิตบุญคำจะแก้ได้หรือไม่ได้ก็ขอให้บุญคำได้ทำอะไรเป็นการพยายามช่วยเหลือนายของบุญคำเถิดพวกเจ้านายทั้งหลายอย่าขัดขวางบุญคาเลย ว่าแง่สายมันมาชวนพรานใหญ่ไปกัมันมากกว่าก็มันรักพรานใหญ่มากขยิ่นโล่งมาเป็นภาษาของมันแต่ถึงยังไงเราก็ไม่สามารถทำอะไรให้ดีไปกว่านี้ได้อีกแล้วละน้อยเชษฐถาพูดภายหลังจากตัดสินใจขณะนี้พวกเราทั้งหมดก็เปรียบเหมือนคนลอยคอยอยู่กลางทะเลนั่นแหละแม้แต่เศษฟางสักชิ้นเดียวที่ลอยผ่านมาก็ต้องโผล่ไปเกาะ เอาเถอนะยอมให้บุญคํากทําพิธีไปตามภาษาของแกเถอะเชื่อว่าคงไม่มีอะไรขัดกันน้อยหรอกเพราะอย่างมากแกก็เอายาสมุนไพรกรอกปากเท่านั้นดารินพยักหน้าอย่างสิ้นหวังทอดอะไรตกลงบุญคําจะทําอะไรก็ทำเถอะอย่างน้อยที่สุดถ้านายของบุญคําไม่ฟื้นขึ้นมาอีกแล้วในครั้งนี้บุญคําและพวกของบุญคํา ก็จะได้มีความภาคภูมิใจว่าถึงยังไงเราทุกคนทุกฝ่ายก็ได้พยายามกันทุกวิถีทางนะตาพรานเท่าแยกห่างออกไปในบัดนั้นงัดยาหมูอันประกอบด้วยเขี้วงาของสับปะสับมาตั้งไว้จุดทูปเจ็ดดอกปักควันขมูงไว้ตรงหน้าตนเองลงนั่งขัดสมาธ์เอาผ้าขาวมาห่มแทนสบายพนมมือหลับตา สวดบวงสวงภาวนาเป็นทำนองอะไรของแกไปตามเรื่องโดยไม่มีใครฟังรู้เรื่องเสียงวิเวกโหยหวยยังไงบอกไม่ถูกพลางก็กำเอามือกำสายเสกซัดไปรอบๆคณะนายจ้างทั้งหมดนั่งซึมมองดูการกระทำของแกอย่างปราศจากความหมายและไม่มีศรัทธาใดๆทั้งสิน้นแต่ก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะขัดขวางได้ปล่อยความคิดคานึงไปคนละทาง แต่ก็มีจุดหมายบั้นปลายแห่งความนึกคิดคล้ายๆกันคือเหมือนคนที่กำลังเดินอย่างโดดเดี่ยวอ้างว้างใกล้จะสิ้นแรงอยู่กลางทะเลทรายกันดานปราศจากที่หวังใดๆทั้งสิ้นมาริฮอฟมันลงนั่งชันเขา่าเอาหน้าซุกอยู่กระท่อนแขนที่วางเข่าทั้งคู่ดารินมือลอยคลับคล้ายคลับคลาเหมือนจะอยู่ในห่วงฝันร้ เชืทากชยันลุกขึ้นเดินสวนกันอยู่ไปมาเหมือนชมดติดจัน์ในห่วงรําพึงอันขาดขาดหายหายไม่ประติดประต่อกันของหมอมราชวงศ์ดารินวราฤทธิ์หล่อนถามตัวเองว่าคืนนี้มันเป็นคืนแห่งความหายนาวิบัติของคณะเดินทางทั้งหมดถึงเพียงนี้เฉยหรือมันเป็นความจริงหรือเพียงแค่ฝันร้ายไปกันแน่ เ ง, างาสายดับชีพสยองอยู่ภายใต้ก้อนหินใหญ่บททับพรานใหญ่ผู้เป็นหัวใจของแผนการเดินทางทั้งหมดเล่าก็กำลังจะหมดลมหายใจต่อหน้าต่อตายอยู่บัดนี้อย่างลึกลับหาสาเหตุไม่ได้โอ้คุณพระช่วยอีกแว บ, บหนึ่งของห่วงรำพึงยังว่าเวโทมนัสดูอเอาเถิดครั้งก่อนๆมานั้น ไม่ว่าชีวิตใครก็ตามที่กำลังตกอยู่ในคลายวิกฤตเป็นเส้นตายเขาผู้นี้ก็ยังแข็งแกร่งยึดหลักอยู่เป็นหลักประกันทังงาดอยู่ให้เห็นเป็นที่อบอุ่นใจนะเขาเปรียบเสมือนเกราะป้องกันภัยให้แก่ชีวิตภายใต้าการรับผิดชอบแก้ไขช่วยเหลือให้หมูคนะ่คณะรอดพน้นอันตรายมาเป็นลำดับคนแล้วคนล่า เป็นสรณะให้ยึดมัน่นพักพิงฝากชีวิตได้ในอาณาจาักรไพรอันกว้างใหญ่ใครจะเป็นอะไรตกอยู่ในสถานการณ์ร้ายสักเพียงไหนก็ตามเห็นหน้าระพินไพรวันเพียงคนเดียวก็พลอยทำให้ทุกคนอบอุน่นมีความหวังขึ้นแล้วปัญหาทุกปลอกสุภาพบุรุษไพรผู้นี้คลี่คลายได้ทั้งสิน้นไม่ทางตรงก็ทางอ้อม แต่บัดนี้แล้วเขาผู้ ด, ดีล้มลงซะแล้วก็ใครเล่าจะแก้ไขช่วยเหลือเขาได้มากว่าถ้ามีแง่้ายอยู่ซักคนก็ยังพอได้หวังแต่นี่บุญคำเสร็จพิธีกรรมบวงสวงเทวดาหรือปลุกเสกขับผีของแกลุกเดินกระย่องกระแย่ง ถือยามูที่ฝนละลายกับน้ำใส่ถ้วยพลาสติกเดินเข้ามาดารินและทุกคนจึงตื่นจากข่วงผวังหันกลับมามองก็เห็นแกจบถ้วยขึ้นเหนือสีสษะเหมือนจะบอกกล่าวครูบาอาจารย์ขออำนาจอันศักดิ์สิทธิอีกครั้งก่อนที่จะช่วยกันประคองสีสษะของระพินขึ้นโดยการร่วมมือของจันเกิดและเสยซึ่งช่วยกันเป็นทีม ฝ่ายนายจ้างทุกคนอดไม่ได้ที่จะชะโ ง, งกเข้าไปมองเห็นพวกนั้นช่วยกันพยายามเปิดปากคนเจ็บกันอย่างทุลักทุเลผิดสังเกตยังไงพิกเพราะเอายากรอกปากน้ำยา ก, ก็ไหลออกหมดดูเหมือนจะไม่ได้ล่วงผ่านเข้าไปในลําคอเลยแม้แต่นิดเดียวเชษฐาเห็นผิดสังเกตไปมากก็โดดเข้าจับข้อมือบุญคาไว้ผลักให้ห่างออกไปก่อนตนเองจับคางของคนเจ็บเขย่าเบา แล้วร้องลั่นออกมาอย่างตกใจขีดสุดว่าน้อยระพินขากันไกลแข็งซแล้วชยันกระโจนพรวดเข้ามาเป็นคนที่สองมาเรียนเงยหน้าวูบขึ้นจากอาการที่ซบบนท่อนแขนสุนดารินวราริศหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะความตกใจของหมู่คณะทั้งหมดยามนี้จะมีอยู่เช่นไรก็ตามทีทุกคนที่กำลังตะลึงอยู่ก็ต้องสะดุ้งตัวอีกครั้ง ด้วยเสียงร้องโวยวายไม่เป็นภาษาของสั่งปากับขยินซึ่งแหกประสานกันดังกึกก้องไปทั้งครูหาหินทั้งสองแสดงอาการหวาดกลัวเหมือนคนบ้าตาเหลือกลานชี้มือออกไปทางปากถ้ำพร้อมกันก็ซุกหน้าลงหลบซ่อนกับพื้นที่มันทั้งสองลงไปนอนหมอบตัวสั่นอยู่ผีผีผีผีไอ้ไงทซายมันมายืนอยู่นั่นมันจะมารับเอาวิญญาณของปรานใหญ่ไป นั่นเป็นท้อยคําที่เจ้าองค์คุลีมานแห่งลมช้างและเจ้าตองสูยองกรอดแหกปากร้องเสียงหลงลิ้นพันกันฟังไม่ได้สับทั้งหมดหันความไปทางปากถ้ำพร้อมกันเปลวไฟอันลุกโชนจากกองที่ก่อไว้ส่องแสงสว่างพรมแพรมไปทั่วบริเวณและสาดออกไปยังปากทางซึ่งบัดนี้แลเห็นขาวมัวอยู่ด้วยละอองหมอกประดุดม่านอัมพรางไว้ เบื้องนอกออกไปเป็นสีดำสนิทของรัติการและในความเงียบที่สุดของความเงียบอันเกิดขึ้นชั่วขณะ น, นี้ได้ยินแต่เสียงลมพัดผ่านโขดหินยูวีดหวือไม่มีใครเห็นอะไรนอกจากละอองหมอกต่างหันกลับมายังขยินและสางปาซึ่งกำลังสุกหน้าลบตัวสันเหมือนไม่อยากจะมองเห็นภาพอะไรอีกทั้งสิ้นนั้น ด้วยความรู้สึกอันไม่อาจจะกล่าวถูกบุญคำเพนุงเดียวถึงเจ้ากระเรียงกับเจ้าตองสูยอดนักเลงกลัวผีขนาดหนักด้วยกันทั้งคู่ขบเขี้ยวเคี้ยวฟันง้างเท้าขึ้นตั้งใจจากระทึบไปเต็มรักไอชิบหายสองตัวนี่เดี๋ยวพัดกระทึบเสื้อตาฝาดโวยวาออกมาได้ทั้งสองคนยังตัวสั่งงนงยงกอยู่เช่นนั้นบุญคาซัดด้วยเท้าให้คนละพละระร้องดาเอ็ดอึง ขยินจึงค่อยๆลืมตาขึ้นมาหน้าของมันซีดเผือดตากรอกแลกวอดไปม า, าเห็นจริงๆนะตาเท่าไอ้เองา้ายมายืนอยู่ตรงนั้นไหนมึงแหตุอะด้ยทีนี่ไองง้งาสายอยู่ตรงไหนบุญคําแยกเขี้ยวคำรามต่ครุบคอขยินจิกเงยหน้าขึ้นแล้วหันหน้าไปทางหน้าปากถ้ำอีกครั้ง ยังเดือดด้านขีดสุดพรานใหญ่กำลังจะตายไอ้สองคนนี้กลับยิ่งมาทำให้ประสาทเสียโวยวายก็ให้เรื่องมันหนักขึ้นไปอีกบุญคำอยากจะฆ่าใช่นะักแคยินทำหน้าเลิกหลักอาการของมันน่าสงสารที่สุดเจ้านักเลงหนุ่มลมช้างเกิดมาไม่เคยกลัวอะไรสักอย่างกลัวอย่างเดียวคือผีแต่อย่างน้อยที่สุดบุญคาก็ไปเอามันจกุก ทำให้มันพอจะได้สติขึ้นมาบ้างยกมือขึ้นขยี้ตาจ้องออกไปยังปากทางคาเหงิงไอ้ใจเดียวมันก็ร้องวากสุดเสียงออกมาอีกช่วยกระสอบปานได้ก็กระทุบตะครุบขึ้นหัวไว้นน่นสองคนก็สสังปลาผู้ตกอยู่ในอาการเดียวกันบุญคำผู้คงแกเรียนทางไสยศาสตร์ยกตนเป็นหมอผีเองบัดนี้ก็แทบชอบ็อกถึงกระจ้่งเบา้าก้นกระแทกกับพื้น จากสิ่งที่สายตาแกะมองไปเห็นณน ibles Laureen ดูดูนั่นเสียงของแกสั่นกระเส y e ขนบนศีรษะลุกเดตั้งชันทุกคนเหลยวไปทางปากทางอีกครั้งแล้วก็เห็นอย่างที่บุญคำเค้ายินและสบหยาเห็นกลางเหมาะคุณหมู่ ประเดี๋ยวจางเบาบางลงประเดี๋ยก็หนาทึบขึ้นมาตามกระแสลมปรวนนั้นนักบัตรนี้ปรากฏเงาหนึ่งเด่นชัดขึ้นทีละน้อยเป็นรูปร่างอยู่ในละอองหมอกคลุมเครือนั้นครั้งแรกเห็นครึ่งท่อนส่วนล่างก่อนต่อมาอีกไม่ถึงอึดใจเมื่อหมอกกระจายผ่านก็ปรากฏคร้าของใบหน้า เลื่อนล่างมันเป็นใบหน้าที่ทุกคนจำได้ติดตาที่สุดแง่ า, ายเฮ้ยชายันอุทานลั่นแล้วจ้องตะลึงตัวแข็งเหมือนถูกสาเป็นหินไปชั่วขณะรู้สึกว่าศีรษะจะขยายโตเท่ากระบุงดารินร้องวีดออกมาสุดเสียงยกมือปิดหน้าส่วนมาเรียแทบจะไปล้มด้วยความตกใจเกิดเสยจัน เห็นพรวดเข้าไปรวมกลุ่มกันอยู่ในซอกลึกตรงที่นอนของวายายอย่างลืมตัวคงมีแต่เชิถาวราริดเพียงคนเดียวเท่านั้นที่คุมสติได้ดีที่สุดเขายกมือขึ้นขยี้ตาและจ้องอีกครั้งอย่างไม่แน่ใจภาพนั้นคลุมเครือจริงๆจากกระแสะปกคลุมของหมอกประกอบกับแสงจากเปลวไฟที่สาดออกไปวับแวมประเดี๋ยวทาท่าจะชัดเจน แลเป็นรูปร่างเด่นขึ้นประดี๋วทำท่าจะกลืนหายสนิทไปกับความมืดแต่ท่านหัวหน้าคณะก็บอกกับตนเองว่ารูปร่างลักษณะชนิดนั้นมันจะเป็นอื่นไปไม่ได้เป็นอันขาดนอกจากแง่ทรายผู้ซึ่งร่างกายแหลกเหลวอยู่ใต้ก้อนหินใหญ่ไปแล้วเมื่อชั่วโมงเศษที่ผ่านมานี่เองแง่ทรายเขาเปล่งเสียงหนักๆในลาคอ เรียกนามนั้นออกไปเมื่อ น, นั้นจึงรู้สึกคล้ายๆกับว่าร่างรางๆที่แลเห็นอยู่ในขณะ น, นี้เริ่มเคลื่อนไหวเมื่อแรกเชษฐาเข้าใจว่าอาจจะเกิดจากอุปท า, านตาฝาดไปจากการเคลื่อนไหวชนิดนั้นแต่แล้วก็ยิ่งตื่นตะลึงเพิ่มขึ้นเพราะรูปร่างนั้นเคลื่อนฟาสายหมอกตรงเข้ามาอย่างแช่มช้ายิ่งใกลย้ยิ่งชัดเจนขึ้นทุกที จากแสงไฟในกองที่สาดออกไปนั้นจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีหมอกบังอยู่อีกเลยเพราะล่วงผ่านปากถ้ำเข้ามาเต็มร่างครบท่วนเด่นชัดทั้งองค์ขาพยบที่บริบูรณ์โดยอาการ32เยี่ยงมนุษย์ปุถุชนผู้มีร่างกายอันสมบูรณ์นอกจากสภาพของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายขาดวินกระรุ่งกระริ่งเละเทะไปด้วยทุลีดิน นนัน้เดินตรงเข้ามาที่กลุ่มของนายจ้างทุกคนซึ่งกำลังล้อมอยู่ที่ร่างหมดสติของพรานใหญ่ระพินชายันอันนันไรบอกกับตนเองว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาเห็นอิทธิฤทธิ์หรือปรากฏของวิญญาณที่สําแดงอย่างเด่นชัดประจักษ์กับสายตาต่อหน้าผู้ร่วมเห็นเหตุการณ์ทั้งคณะโดยไม่มีใครตาฝาดไปเลยแม้แต่คนเดียว เพราะเห็นในเวลาเดียวกันและสภาพเดียวกันทั้งหมดอดีตนายทหารปืนใหญ่พ ง, งะหลังถอยกรูดออกไปอย่างลืมตัวด้วยความวาดเสียวตื่นระหนกขีดสุดมาริอาฮอฟมันก็เช่นเดียวกันหลอนผุดลุกขึ้นปากยังอ้ากว้างค้างอยู่เช่นนั้นส่วนเท้าก็เดินถอยหลังเมื่อภาพของแงาทรายตรงใกล้เข้ามาดาริญยามนี้มองไม่เห็นเ ห, นเหตุการณ์ใด เพราะมัวแต่นั่งก้มหน้าไปตาอยู่นอกจากเชิดถาเท่านั้นที่ขเขม่นจ้องดวงตาแทบประทุใกล้เข้ามาและใกล้เข้ามาเป็นลำดักจนกระทั่งมาหยุดยืนฝั่งตรงข้ามกับท่านหัวหน้าคณะราวกับจะเอื้อมมือถึงกันเชิดถาก็ยังจ้องตามไม่กระพริบ ป, ปักหลักยืนนิ่ง เขาสาบานว่าสามารถจะได้ยินเสียงดังสักสักจากฝีเท้าแผ่วเบาที่เดินเสียดลากขามากับพื้นหินนั้นด้วยแค่วาเดียวที่ร่างนั้นมายืนประจันหน้าจนสามารถจะเลลึกลงไปให้เห็นแววตาได้วงหน้านั้นคือวงหน้าอันคมสันของเจ้ากระเรียงโฉมงามไม่ได้มีอะไรผิดเพี้ยนไปจนนิดเดียว เห็นชัดแม้แต่รอยขมุขมอมขีดควรซึ่งปรากฏเป็นทางโลหิตซึมเล็กน้อยตาคู่นั้นแลประสบประสานเชฐาที่จ้องในสภาพพลึงเพลิดมาชั่วขณะจิตหนึ่งแล้วจึงค่อยคสุดคุกเข่าลงกับพื้นตรงที่พรานใหญ่ระพินนอนอยู่ร่างที่คุกเข่าลงนั้นห่างจากหมอดาริน ผู้นั่งไปตาตัวสั่นเทิมอยู่เพียงฝ่ามือเดียวแล้วก็เอื้อมมือไปแตะที่กายพรานใหญ่นายหญิงครับผู้กองอาการหนักแล้วครับเขาตายหรือยังครับในหูของทุกคนยามนี้แวววเสียงลึกทุ้มกลางวานดังออกมาจากร่างที่เห็นว่าเป็นแง่าย ดารินสันศีรษะอยู่ไปมาทั้งๆ ท, ที่ยังปิดหน้าอยู่เช่นนั้นร้องกรี๊ดลั่นออกมาว่าไปซะเถอะแงซ า, ายไปสู่สุขติตามทางของเธอเถอะอย่ามาสําแดงตนเช่นนี้เลยแล้วก็อย่ามาเอาละพินไปด้วยเธอจากเราไปแล้วจงปล่อยเขาไว้กับเราสักคนเอถอะเชิดขาสุดกายวูบลงนั่งในระดับเดียวกัน ในพริบตานั้นเอื้อมมือข้ามร่างระพินไปจับคว้าเข้าที่ไหลที่แลเห็นอยู่แล้วเขากตะโกนออกมาสุดเสียงแง้ายอะไรกันนี่ร่างกายของแกยังอยู่ครบไ้ฉันสัมผัสแตะต้องได้นี่ก็ยังไม่ตายหรอกเหรอเนี่ยไหลข้างที่เชษฐาขยุ้มไว้เป็นไปด้วยความอบอุ่นแห่งเลือดเนื้อและชีวิตแม้ว่าจะเปียกชื้นไปด้วยละอองหมกและทุลีดิน คนใช้พิเศษอันไม่มีลักษณะใดๆที่จะแสดงให้ทั้งคณะทราบมาก่อนเลยว่าเหลือร่างกายคงอยู่ต่อไปได้นอกจากจะแหลกเละอยู่ภายใต้ก้อนหินใหญ่บด ท, ทับใช้มืออีกข้างหนึ่งกุมทับลงไปบนหลังมือของนายใหญ่ผู้กำลังวางอยู่บนไหลเหมือนจะให้อีกฝ่ายแน่ใจในสัมผัสพร้อมกับเหยืหน้าขึ้นตาแลกวาดไปยังพักพวกคนอื่น ซึ่งขณะนี้ถอยกรูดออกไปยืนรวมหมู่กันห่างไกลรอบด้านจ้องจับมาเป็นตาเดียวอย่างมหัศจรรย์ใจระคนลความตื่นกลัวเหลือที่จะกล่าวนายใหญ่ครับอย่ามวัวห่วงว่าแงซายจะตายหรือไม่แต่จงห่วงว่าผู้กองรพินต่างหากจะรอดหรือไม่เสียงนั้นประกาศดังชัดเจนกังวานกล้องไปทั้งครูหาหิน พร้อมกับร่างตระ ง, งนั่ซึ่งบัดนี้ทุกคนเห็นแจ่มชัดแล้วว่าเป็นมนุษย์บุทุชนธรรมดานี่เองหาใช่ปรากฏการของวิญญาณหรือภาพหลอนของปีศาจใดๆไม่ร่างนั้นลุกขึ้นยืนเต็มสัดส่วนอันสูงใหญ่นั้นกล่าวต่อมาด้วยเสียงอันดังหนักแน่นเหมือนเจตนาจะให้ทุกคนได้ยินชัดโดยไม่คิดว่าหูฝาดทุกคนฟัง แงซสายยังไม่ตายแต่ผู้กองรบพินสิครับกำลังจะตายทุกคนฟังนะครับที่ทุกสายตาเลเห็นอยู่นี้คือร่างกายของแงซสายซึ่งประกอบด้วยเลือดเนื้อชีวิตและวิญญาณพร้อมไม่ได้เป็นพูดปีศาจใดๆทั้งสิน้นแงซสายมีลมหายใจร่างกายจิตสำนึกมีครบถ้วน เหตุการ์มันผันแปลอย่างชนิดเปลี่ยนความรู้สึกของทุกคนจนตั้งตัวไม่ติดอะไรชนิดขยินกระส่างปลาสองสายผู้เป็นชาวดงอย่างแท้จริงไม่ต้องเอ่ยถึงเพราะถึงยังไงเจ้าสองคนนั้นก็ยังหวาดกลัวตัวสันอยู่ตามเดิมเกิดเสยจันและบุญคํางุนงงลังเลเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งโดยสีหน้าของแต่ละคนที่บรรยายไม่ถูก ดารินนั้นลดมือลงไปจากใบหน้าจ้องมองร่างที่ยืนผ ง, งาดค้ำอยู่ใกล้ๆส่วนชายยันกามาเรียกระโจนกลับเข้ามาอีกครั้งเสียงเปลงเรียกนามแง้ า, ายประสานกันฟังไม่ได้สับเชิดาปราดเข้ายึดแขนของแง้ า, ายกำไว้แน่นแทบจะบีบให้แหลกไปคามือชายยันก็กระโดดคว้าแขนฝามาเรียเอามือจับกดที่อกพระเจ้าทรงโปรด แงาายจริงๆนั่นแหละเง่ท า, ายยังไม่ตายแมมสาวร้องตะโกนลั่นดารินพยุงร่างของตนเองขึ้นอย่างมึนงงระหว่างที่ใครต่อใครรุมล้อมรอบเจ้าตัวองค์ลรค์พิเศษของหล่อนและพูดกันแท้สับสนหล่อนค่อยๆเอื้อมมืออันสัน่นไปลูบคลำที่ใบหน้าสีทองแดงมันระยับอาบชุ่มไปด้วยละอองหมอกและคราบดินนั้นกายก็สั่นเทิมเหมือนคนเป็นไข้หนัก ดูไม่ออกก็จะร้องไห้หรือหัวเราะจากใบหน้าที่ฟูมฟายไปด้วยน้ําตานั้นเงซ้ยร่างกายของเธอจริงๆด้วยเป็นความจริงเหรอที่เธอยังไม่ตายโอ๊อะไรกันนี่ทําไมเหตุการณ์มาถึงกลับตละปัดไปหมดอย่างนี้ไม่ทันจะขาดเสียงร่างของหมอดารินก็ล้มหวบเป็นลมหมดสติไปในทันทีนั้นด้วยความผันผวนของอารมณ์หลายชนิด ที่ประดังกันขึ้นมาจนเกินกว่าที่จะทนทานต่อไปได้คนที่ทุกๆคนเข้าใจอย่างแน่นแฟน้นว่าตายไปแล้วและบัตรนี้ได้โผล่ ก, กลับเข้ามายัางลึกลับที่สุดทลันก็คว้าร่างของนายหญิงไว้ได้ทันก่อนที่จะลงไปกองกับพื้นอุ้มประคองร่างอันอ่อนปวกเปียกขึ้นส่งไปให้มาเรียมาเรียกุลีกูจอประคองหมอดาริน ซึ่งบัตรนี้หมดความรู้สึกไปชั่วขณะให้ไปนอนพักอยู่ทางหนึ่งก่อนเชถากับชัยยันนั้นไม่เป็นห่วงต่อเหตุการณ์ของราชสกุลสาวนักเพราะก็ชื่อเช่นเดียวกันว่าดารินคงไม่เป็นอะไรมากนอกจากความตื่นเต้นเหลือขนาดจนปรับจิตไม่ทันสิ่งที่ทั้งสองคนประจันหน้าอยู่ขณะนี้ก็คือคนที่คิดว่าตายไปแล้วดันโผล่กลับเข้ามาอย่างปลอดภัยที่สุด คนที่ไม่มีวี่แววว่าจะเป็นอะไรเลยสิกำลังจะตายเหตุการณ์มันช่างยอกย้อเล่นกลนยังคาดคิดไม่ถึงระหว่างที่ทั้งสองอยังยืนชนิดพูดหรือทำอะไรไม่ถูกนั้นแง่ส า, ายก้มลงไปที่ร่างของพรานใหญ่อีกครั้งอย่างรวดเร็วหยิบไฟฉายที่วางอยู่ใกล้ๆเปิดสว่างจ้าส่องตรวจไปตามบริเวณก้านคอและไหล่ทั้งสองด้านของจอมพรานอย่างขมักขมิ เหมือนจะค้นหาร่องรอยอะไรสักอย่างหนึ่งอาการชนิดนั้นเองทำให้เชษดถากระชัยยันปราดเข้าไปสมทบแง่ท า, ายไปยังไงมายังไงกันนี่กระร้าตายมาได้ยังไงนี่พวกเราทุกคนแน่ใจว่ากันเหล็กอยู่ใต้ก้อนหินนั้นแล้วนะนายจ้างทั้งสองถามด้วยอาการสำลักเป็นเสียงเดียวกันถ้าเงาทสายอธิบายอะไรในขณะนี้ โอกาสที่จะช่วยชีวิตผู้กองก็จะลดน้อยลงไปทุกขณะเท่าที่สีเวลาไปเอาเป็นว่าเรามาช่วยแก้ไขผู้กองก่อนเถอะครับเรื่องราวทั้งหลายแง่ทรายจะบอกทีหลังนะครับขอให้รู้ในขณะนี้ก่อนว่าคนเคราะไร้ายที่สุดในขณะ น, นี้คือผู้กองระพินหาใช่แงทร า, ายอย่างที่ทุกคนเข้าใจไหมจอมพเนจรผู้ปรากฏว่ายังมีชีวิตอยู่ได้ราวกับปาฏิหาริย์พูดโดยน้าเสียงเครียดโดยเร็ว และตะโกนไปยังขยินกระสางปาผู้ยังดมดมแอบแอบอยู่หลังแท่นวายาเด่นน้ำเสียงอันเฉียบขาดเกือบจะเป็นตะวดัดสางป้ามานี่เร็วชีวิตผู้กองระพินจะรอดหรือดับขึ้นอยู่ที่เจ้าคนเดียวข้านั้นไม่ได้ตายหรอกไม่ได้เป็นผีสางอย่างที่เจ้าตกใจกลัวอยู่ในขณะ น, นี้ข้ายังเป็นคนเป็นไปนอยู่เหมือนเจ้ากับขยินทุกอย่างแต่แต่เ้ยไเอ็ตายไปแล้วอะ นี่เองมันหลอกค้าน่ะเจ้าส่างปลาร้องเสียงแหลมทาท่ามันจะเพน่นหนีต่อไปอีกถ้าไม่ใช่เพระาะฝาผนังถ้าไม่ใช่เพระาะฝาผนังตันไม่มีทางจะแทกตัวเข้าไปได้บุญคากับจันผู้ซึ่งมีไหวพริบเฉลียวฉลาดเหนือกว่าพวกพื้นเมืองทุกคนก็ปรีเข้าไปตะครุบตัวส่างปลาและขยินหิวคอลากตัวออกมาท่ามกลางเสียงร้องโวยวายแล้วผลักไอ้นักเลงขี้ขาดผีทั้งสองคนนั้น คามำหน้าเข้าไปอยู่เบื้องหน้าของแง่ทรายเมื่อ น, นั้นมันทั้งสองจึงเริ่มจะเชื่อว่าสิ่งที่มันเห็นอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่ผีสางที่มันจะหวาดกลัวที่ไหนกว่าจะทำความเข้าใจกันได้ก็ล่วงเวลาไปอีกพักใหญ่โดยมีบุญคํากับจันเป็นผู้อธิบายและพิสูจน์ให้เจ้ากระเรียงกับเจ้าตองสูแน่ใจมันทั้งสองก็กลับความรู้สึกมาเป็นความตื่นเต้นดีใจเป็นล้นพน้น แต่เงาายไม่เปิดโอกาสให้ใครซักสอบถามใดๆนอกเหนือไปจากสิ่งอันจำเป็นเฉพาะหน้าเท่านั้นแล้วเงาทายก็หันมาทางเชษถานายใหญ่ครับอาการที่เกิดขึ้นกับผู้กรองในครั้งนี้นายหญิงหรือต่อให้หมอคนใดในโลกก็ไม่สามารถจะกู้ชีวิตของผู้กองได้หรอกครับนอกจากส้างป่าคนเดียวเท่านั้นเงาทายแกหมายความว่ายังไง เชิดาร้องลืมตาโผล่ในายใหญ่จําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวแง่ทรายในครั้งนั้นได้ไหมครับในครั้งนั้นทุกคนแน่ใจว่าแง่ทรายตายไปแล้วแต่ผู้กองระพินสั่งให้สางปลาดําเนินการแก้ไขจนแง่ทรายฟื้นขึ้นมาได้ทั้งหมดอุทานามาพร้อมกันด้วยความแปลกใจขีดสุดแง่ทรายนี่แกหมายความว่าระพินโดนพิษของไอแมงมุมหกขานั่นเข้าให้เหรอ ชา ย, ยันพูดกระหืดกระหอบครับที่ต้นคอยเยื้งไปทางท้ายถอยนั่นผู้กองเองขณะที่โดนมันกัดในครั้งแรกก็ยังไม่รู้สึกตัวพิษของมันค่อยๆแทรกซึมและสำแดงขึ้นทีละน้อยจนกระทั่งในที่สุดก็เข้าขีดอันตรายตายไปแล้วกว่าครึ่งตัวอย่างที่เห็นอยู่นี่ครับขณะที่พูดไง่ร า, ายก้มลงช้อนประคองศีรษะของรพินไรวันขึ้น และพริกต้นคอด้านหลังชี้ให้ทุกคนที่มุงล้อมรอบอยู่ในขณะ น, นี้ดูที่จุดแดงสองจุดเหมือนรอยเข็มฉีดยาปรากฏอยู่ที่ต้นคอด้านหลังต่ำกว่าตีนผมลงไปเล็กน้อยโดยเยืองไปทางซี่ซ้ายรอยจุดหรือรอยเขี้ยวนั้นมีระยะห่างกันประมาณนิ้วเศษทั้งหมดอ้าปากค้างแล้วก็พลันระลึกจาได้ทันทีนั้นเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้ ทุกคนยังจำได้ติดตาและไม่เคยลืมเลือนไปได้เลยมันได้เคยปรากฏขึ้นกับแงซรายมาก่อนแล้วในครั้งหนึ่งขณะทีว่วิญญาณของขุนพลว ร, รมันนำร่างของแงซ า, ายไปนั่งหลับหมดสติอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ภายหลังจากที่อาถรรนิตรานครได้เสื่อมสิ้นไปแล้วบรมันนำแงซ า, ายไปนั่งบังอยู่ปากรูของแมงมุมหกขาพอดีมันจึงกัดเขาที่ข้อเท้า ขณะที่ทุกคนตามไปพบนั้นเงยสายก็มีสภาพเหมือนคนตายไปแล้วแต่ระพินไพรวันผู้รู้เคล็ดในความชํานาญเป็นพิเศษของสางปาด้านการเยียวยารักษาพิษกัดต่อยทุกชนิดอันเป็นวิชาที่มันได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษได้สั่งให้นําร่างของเงยสายกลับมาท่ามกลางความสิ้นหวังของทุกคนและในครั้งนั้นสางปาได้กู้ชีวิตของเงยสายกลับคืนมาได้ ยังน่าอัศจรรย์บาดนี้เหตุการณ์ชนิดที่เคยเกิดขึ้นกับเงยสายแล้วนั่นน่ะหรอที่ได้เกิดขึ้นกับตัวจอมพนเองเช่นขณะ น, นี้บาดแผลนั้นน่าจะยืนยันได้ชัดตามที่เงทสายบอกทุกคนมองข้ามไปสมดและคาดฝันไปไม่ถึงเงทสายเธอรู้ได้ยังไงล่ะว่าไอ้หกขานั้นเล่นงานไพรวันดูที่บาดแผลน่นสินายแม บาดแผลนก็เห็นอยู่เดี๋ยวนี้แล้วแต่พวกเราสงสัยว่าแกรู้ได้ยังไงพอมาถึงแกก็ตรงเข้าไปตรวจดูรพินค้นพบตรงตำแหน่งได้เราก็รู้มาก่อนนั่นแหละเชิดาถามผมจะเรียนให้ทราบภายหลังครับว่ารู้มาได้ยังไงพร้อมๆกับเล่าให้ฟังด้วยว่าแง่สายรอดตายจากก้อนหินก้อนนั้นได้ยังไงแต่ที่ควรจะรู้ในขณะนี้ก็คือไอ้หกขานั่นแน่ๆแล้วครับ กัดและปล่อยพิกเข้าไปในตัวผู้กองโดยเขาไม่ทันรู้ตัวเหตุการณ์เกิดขึ้นในขนาดที่ไซสระท็อปชนต้นไม้ใหญ่ล้มและกิ่งใบส่วนยอดของต้นไม้ต้นนั้นฟาดทับลงมาบนผู้กองทำให้เขาล้มและถูกบังมิดอยู่ภายใต้ใบไม้อานาจการล้มของต้นไม้ต้นนั้นทำให้ไอ่หกขาซึ่งอยู่ใกล้ๆซอกหินที่ช่วยชีวิตผู้กองไว้ได้รับความสะเทือนตกใจ ยงวิ่งออกมาจากรูและตรงเข้ากัดตรงก้านคอด้านหลังของผู้กองในระหว่างที่เขายังนอนล้มมึนงงอยู่ใต้กิ่งไม้ปกคลุมความช้าของประสาทและความตกใจต่อสถานการณ์ทำให้เขาไม่รู้สึกตัวว่าได้ถูกมันกัดเอาพิษมันที่ซึมซาบไปตลอดสายเลือดและเซนของร่างกายจึงค่อยๆสําแดงออกมาภายหลังทาให้เขาตกอยู่ในสภาพที่ไม่มีใครค้นหาสาเหตุได้ว่า ได้เกิดอะไรขึ้นกับเขาผมพยายามมาอย่างเร็วที่สุดเพราะรู้ล่วงหน้าแล้วว่าทางด้านนี้ผู้กองกำลังตกอยู่ในขีดอันตรายทุกคนเข้าใจว่าอันตรายเกิดขึ้นกับผมแต่ความจริงแล้วมันเกิดขึ้นกับผู้กองต่างหากละครับงทำไมมุมหกขากัดระพินจริ ง, งเหมือนอย่างที่กัดแกมาก่อนแล้วแกก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าก่อนที่สางปาจะจัดการยังไงลงไปได้นะ เราจะต้องได้แมงมุมชนิดนั้นมาก่อนเพื่อรีดเอาพิษของมันผสมกับตัวยาแง่งาสายทราบดีครับนายใหญ่ก็แล้วเราจะไปหาตัวมันได้จากไหนในเวลานี้ล่ะแง่าสายก้มลงหยิบสิ่งหนึ่งที่ถือติดมือเข้ามาด้วยแต่แรกชูขึ้นมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครทันสังเกตหรือสนใจแต่แรกเลยในยามที่เจ้ากระเรียงฉงงามพลูร่างตับเข้ามาอย่างลึกลับ สิ่งนั้นคือห่อผ้าดำๆที่ผูกมุมทุกด้านไว้ในลักษณะเหมือนถุงเมื่อต่างจ้องไปก็บอกได้ทันทีว่ามันเป็นเศษเสื้อขาดของแง่ทรายในขณะนี้นั่นเองสิ่งที่บรรจุทวงอยู่ในถุงผ้านั้นขณะ น, นี้มีการกระดุกกระดิกเคลื่อนไหวอยู่เบาๆมันอยู่ในนี้แล้วครับในายใหญ่แง่ทรายกลับมาถึงที่นี่ช้าไปกว่าที่ควรเกือบชั่วโมงก็เพระมัวแต่ค้นหาตัวมัน ตรงบริเวณที่ต้นไม้ลมทัพผู้กองแต่แง่สายก็แน่ใจว่ามาได้ทันเวลาพร้อมกับพูดแงสายโยนถุงผ้าอันทําด้วยเศษเสื้อของตนเองถุงนั้นไปยังสังปาส่งภาษาพมา่าบอกความให้รู้คณะนายจ้างผู้ยังจ้องค้างอยู่ไม่อาจเข้าใจได้ว่าแง่สายผู้กระสังปาเช่นไรแต่เห็นจะตองสูลืมตาโตอย่างพิศวงระคนยินดี รีบรับถุงนั้นไปอย่างกระวีกระวาดลุกลนขยินและพวกพรานทั้งหมดก็รุมล้อมกันเข้าไปช่วยโดยเร็วพร้อมกับผู้กันแส้พรานใหญ่มีหวังรอดตายแล้วนายแงายซายไม่ได้กลับมามือเปล่าแต่เอาตัวไอ้หกขามาด้วยจันร้องออกมาอย่างลิงโลดแทบเต้นแล้วโดยไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปแม้แต่วินาทีเดียว้างปาดาเนินการตามถนัดของมันทันที โดยมีมาเรียผู้เป็นนายโดยตรงคอยคุมบงการอยู่ท่ามกลางความรู้สึกอันผันผวนจักต้นชนปลายแทบไม่ติดของคณะนายจ้าดารินนั้นบัดนี้คืนสติรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วและได้รับการบอกเล่าอาธิบายจากเชษฐากรอ น, นั่งนิ่งมองดูการเยียวยาตามวิธีการของส่างปาพร้อมทั้งคำนึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นยังกลับหน้ามือเป็นหลังมือนีชนิด แทบจะเชื่อเสียไม่ได้หล่อนทำหรือพูดอะไรไม่ออกในยามนี้ทุกคนดูเหมือนจะลืมเรื่องอื่นใดทั้งหลายชั่วขณะมวัวแต่พวงคอยดูอย่างชนิดเอาใจจดจ่อกับการรักษาตามแบบฉบับของส่างป่าและคอยให้การช่วยเหลือกันอย่างกูลีกูจอต่อ ง, งานกู้ฉีพระพินไพรวันนอนนิ่งกายเย็นชื่อฝากความหวังทุกสิ่งทุกอย่าง อยู่ภายใต้ความสามารถของส่างปลาเพียงคนเดียวห่างออกมาประมาณ3าก้าร่างตระงานกำยำของแง่ทรายยืนคำอยู่เบื้องหลังของทุกคนกำลังจ้องมองสภาพความช่วยเหลือกันอย่างฉุดละหุกนั้นด้วยดวงตาอันเคร่งขึงเยือกเย็นดารินวราฤทธิ์มองที่ร่างอันนอนเหยียดยาวและร่างที่ยืนผงาดนั้นสลับกันอยู่คนเดียวเงียบ เมื่อไม่นานนี้นะหล่อนได้แลเห็นรบพินผู้นอนสงบนิ่งอยู่นี้ยืนคอตกอยู่ริมก้อนหินด้วยอาการรำพึงเศร้าและโทมนัสใจต่อการจากไปของแง่ทายซึ่งเขาคิดว่าแหลกลานอยู่ภายใต้ก้อนหินบด ท, ทับหลอนได้เห็นความสะทืนใจอย่างหนักของบุรุษผู้นี้ผู้ซึ่งสำนึกในขณะนั้นว่าสาหาสศึกของเขาได้จากไปเสียแล้ว โดยที่เขาไม่มีโอกาสจะได้ช่วยเหลือทันการแต่บัตรนี้เล่าแงสายผู้ซึ่งใครๆคิดว่าได้เสียชีวิตไปแล้วกลับมายืนคอตกเศร้าสลดสังเวชใจอยู่กับอาการเป็นกัดตายเท่ากันของสุภาพบุรุษไพรแงสายไม่ตายหากแต่กลับมาเพื่อการกู้ชีวิตระพินชนิดที่ฟ้ากำหนดให้ทั้งสองฝ่าย ถือกำเนิดมาเพื่ออุปถัมภ์เกื้อกูลแก่กันโดยแท้บุรุษชาติชาตรีคู่นี้มีความผูกพันซึ่งกันและกันอย่างแน่นแฟ้นที่สุดแม้จะดูโดยพื้นเบื้องหน้าว่ะจะเป็นคู่ปรับผู้ชิงเหลี่ยมคู่ไว้พริบและหักล้างกันด้วยชั้นเชิงสักเพียงใดก็ตามและดูอวถึกหล่อนและทุกคนปีติตื้นตันอย่างล้นเหลือ ในการรอดตายกลับคืนมาได้ของแง่สายแต่กลับต้องระทมทุก์วันวิตกต่อภาวะเส้นเป็นเส้นตายของระพินแทนที่โดยไม่คาดฝันว่ามันจะพลิกตลบกลับมาเป็นตรงข้ามได้ถึงเพียงนี้ดารินมีความรู้สึกที่อยากจะร้องไห้หัวเราะและกลับร้องไห้สลับกันอยู่เช่นนั้น ในกลุ่มที่กำลังรุมล้อมสารวณช่วยเหลือกันอยู่มีเสียงอุทานออกมาอย่างยินดีเมื่อปรากฏว่าแท่งยาชุดแรกของสางปาถูกบาดแผลตรงรอยที่ถูกขบกัดนั้นดูติดตั้งเดขึ้นนั่นหมายถึงว่าตัวยาเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในการดูดพิษร้ายออกมาแล้วเมื่อนั้นแง่า ย, ายผู้ยืนสงบดูอยู่อย่างนิ่งเฉยแทบไม่ติงกาย ก็ผ่อนลมหายใจออกมาอย่างโล่งอกเดินเข้ามาสุดกายลงตรงหน้าของนายหญิงชูสิ่งหนึ่งในมือขึ้นพร้อมกับส่งให้หลอนนายหญิงครับเสียงนั้นแผ่วเบาอ่อนโยนแต่ชัดเจนนี่คือสร้อยเครื่องรางประจำตัวของผู้กองครับแง่ายายค้นพบตรงบริเวณกองไม้ใกล้รูของไอ้หกขาตัวนั้น มันคงจะขาดหลุดจากคอผู้กองขณะที่กิ่งไม้ฟาดลงมาทับดารินยิ้มออกมาได้อย่างซีดเซียวเป็นครั้งแรกรับไปพิจารณาในมือแล้วกาไว้แน่นอีกมือหนึ่งเอื้อมมาลูบคลมที่ใบหน้าของเจ้าองครัก์พิเศษอย่างสนิทเนหาไม่กล่าวคำใดทั้งสิน้นแต่ลุกขึ้นเดินตรงไปยังร่างของพรานใหญ่ที่ยังนอนสงบอยู่ภายใต้การดูแลของสางป่า และพักพวกทุกคนหล่อนบรรจงเอาสร้อยสไตนเลสเส้นนั้นใส่ให้ที่คอระพินตามเดิมยิ้มท้งน้ำตาพูดเบาๆกับใบหน้าอันมีแต่ตาทั้งคู่หลับสนิทนั้นระพินคุณปลอดภัยแล้งาสายไม่ตายและเขากลับมาช่วยคุณจนได้นายหญิง น า, นายนายหญิงไปได้สรอยเครื่องรางของนายมาจากไหนบุญคําร้องถามอย่างแปลกใจจ้องขมิงแงใสาเก็บได้ใต้กิ่งไม้ของต้นไม้ลมนั่นแหละบุญคําก่อนไหนบุญคําบอกว่าพรานใหญ่ถูกของของไอ้สามเขาที่เขายิงตกหน้าผาไปยังไงละ่ะถึงก็ทำพิธีกับผีเป็นการใหญ่ที่แท้เพิ่งมารู้กันเดี๋ยวนี้เองว่าพรานใหญ่น่ะถูกแมงมุมหกขากัด นี่ถาหากว่าแง่ทรายไม่รอดตายกลับมาบอกกับเราเรื่องนี้เราทุกคนก็คงไม่รู้อะไรเลยนอกจากเฝ้าดูพรานใหญ่ตายอย่างช้าๆไปต่อหน้าต่อตาชัยยันว่าตาบุญคําทําหน้ากระเรียกกระลาดกระพริบตาปริกปรกถูนายทหารบุญคําก็นึกไม่ถึงว่านายจะถูกมแมลงมีพิษนะกัดเอาก็นึกว่าถูกวิญญาณของไอ้สามเขานะ่ะสิมาเล่นงาน แต่บุญคำก็บอกแล้วนี่ว่าเครื่องรางที่นายเคยใช้ประจำตัวนะ่ะขาดหลุดหายไปถ้ายังไตจูไม่ว่าอะไรก็ทำอันตรายนายไม่ได้แน่ขอให้พวกเจ้านายทุกคนวางใจเถอะหลงถ้าปากแผลมันดูดยาแท่ขงของสางปลาติดเดยอย่างงี้แล้วก็พรานใหญ่ไม่ตายแล้วโชคดีเหลือเกินที่แงซายรอดตายมาได้กลับมาบอกให้เรารู้แล้วก็เอาไอแมงมุมพิษตัตวนี้ มาให้สร้างปลาผสมยาด้วยถ้าแง่ทรายตายพรานใหญ่ก็คงตายตามไปด้วยแน่ๆเพราะไม่มีพวกเราคนไหนนึกรู้ทันว่าพรานใหญ่ถูกอะไรเข้าแล้วแกก็เงยหน้าหันไปมองแง่ทรายพึมพำออกมาเป็นกุศลแท้ๆเทียวแง่ทรายเอ้ยที่เองน่ะไม่ตายกลับมาช่วยพรานใหญ่ได้ทันการ ค่และพวกเราดีใจเหลือเกินที่เองรอดตายกลับมาได้าแรกนั่นนึกว่าแหลกอยู่ใต้หินก้อนนั้นซะแล้วกําลังคิดกันอยู่ว่าพรุ่งนี้จะไปช่วยกันพลิกหินลากศพเองออกมาเผาพรานใหญ่เองก็เสียใจมากที่นึกว่ากระดูกกระเดี้ยวของเองน่ะปนไปหมดแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าตัวพรานใหญ่เองเคราะหร้ายหนักกว่าเองซะอีก เองทำให้ข้าฝันหนีดีฟอนึกว่าเป็นผีมาหลอกสร้างปากับขยินช่วยกันต่อว่าแง่ายเพียงแต่ยิ้มมึนซึมอยู่ในสีหน้าในขณะที่ทุกสายตาจับจ้องมาเป็นตาเดียวอีกครั้งบรรยากาศอันตึงเครียดขีดสุดของหมู่คณะทั้งหมดบัดนี้พอจะคลี่คลายลงบ้างแล้วภายหลังจักมีหวังแน่นอนว่ารพินไทวัน จะกลับฟื้นคืนคงมาได้อีกครั้งแน่นอนบัดนี้ทั้งหมดจึงเหลือแต่ความพิสวงอยู่ประการเดียวว่าแงาสายรอดตายมาได้ยังไงในเมื่อหลักฐานเท่าที่เห็นบ่งชัดเฉลือเกินว่าไม่มีทางจะรอดได้เลยแมร์พินผู้ซึ่งทุกคนไว้วางใจที่สุดในด้านการคาดคะเนก็ยังเชื่ อ, อย่างแน่นแฟนว่าเจ้าสหายศึกย่อยยับไปแล้ว เชษฐาวราริธ์สีหน้าเริ่มจะแช่มชื่นขึ้นเขาพยักหน้าเรียกเจ้าคนใช้พิเศษให้เข้ามาใกลย้ยกมือขึ้นจับที่ไหล่ทั้งสองจ้องสำรวจไปทั่วกายแล้วกอดไว้แน่นอย่างรักสนิทหัวเราะออกมาเบาๆทั้งน้ำตาคลอเนี่ยา ย, ายพวกเราทุกคนแม้แต่ชั้นเองหรือพลานใหญ่ระพินก็ได้เสียน้ำตาให้กับแกแล้ว เมื่อพวกเราคิดว่าแกตายจากเราไปแกอาจไม่รู้ตัวก็ได้ว่าพวกเราทั้งหมดนะ่รักอะไรแกเพียงไหนอดีต ท, ท่านทูตทหารบกเสียงคืออย่างตื้นตันแต่แล้วในที่สุดคนดีมีฝีมืออย่างแกก็กลับรอดตายจนได้มีหน้ำซ้ำยังกลับมาแก้ไขวิกฤตการณ์สุดยอดของชีวิตผู้กองระพินได้ใช่อีกด้วย พวกเราบอกไม่ถูกว่าปลาปลื้มยินดีสักแค่ไหนเป็นความเมตตาของนายใหญ่และทุกคนเป็นอย่างยิ่งครับที่มีความปรารถนาดีห่วงใยต่องแง่ทรายและงแง่รายก็ตระหนักซึ้งอยู่ทุกขณะจิตครับเจ้าคนใช้พิเศษกล่าวน้ำเสียงลึกก้มตัวต่ำลงไปจนมือแตะติดกับเท้าของเชษฐาแล้วสุดตัวนั่งอยู่แทบเท้านั้นแสดงอาการคาระวะอย่างสูง เมื่อแรกเงาทายเองก็คิดว่าตัวเองต้องตายในครั้งนี้แน่ไม่มีทางจะรอดได้เลยที่รอดมาได้ก็คงเป็นพระดวงชะตา ย, ยัางไม่ถึงคราวดับขันนั่นเองเงาทายไม่มีเจตนาที่จะให้ผู้กองในายใหญ่หรือทุกคนเข้าใจว่าเงาทายได้ตายไปแล้วแต่ไม่สามารถจะบอกความหรือส่งข่าวใดๆไ ด, ไ ด, ได้ในขณะนั้นเอาละเงาทราย เดี๋ยวนี้เราก็ได้ช่วยเหลือพรานใหญ่ทันการแล้วรอแต่เพียงว่าเมื่อไหรเขาจะฟื้นขึ้นมาเท่านั้นตอนนี้เธอควรจะอธิบายให้เรารู้ชัดกันสันทีว่าเธอรอดตายมาได้ยังไงและไปหลบอยู่ที่ไหนขณะที่พวกเราทั้งหมดตามไปยืนล้อมดูอยู่ที่ก้อนหินนั้นเป็นเวลานานกว่าจะกลับมาที่นี่มารีฮอกมั่นกล่าวเตือนมาโดยเร็วแงซ า, ายหยิบกระบอกน้าที่วางอยู่ข้างๆ ยกขึ้นดื่มอย่างกระหายทุกคนเพิ่งจะสังเกตเห็นเดี๋ยวนี้เองว่าอากับกิริยาของเจ้าคนใช้พิเศษของคณะเต็มไปได้วยความโหยละเฮียอิดโรยยิ่งภายหลังจากดื่มน้ำแล้วก็ถอนใจเฮือกยกมือทั้งสองขึ้นกุมขมับนิ่งไปครู่หนึ่งเหมือนจะพยายามลำดับเหตุการณ์ที่ตนเองได้ผ่านประจนมา แล้วก็เริ่มเล่าความขึ้นด้วยน้ำเสียงอันชัดเจนแช่มช้า